Think about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they, they, they, they know it's a better world for them and think they can make it a better place. Bật Tý 5, t n o that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 อะไรก็ตามที่พูดว่าการยกย่องชมเชยไม่สามารถพาเราไปไหนได้เป็นคนอืแต่อาตจจมาคิดว่าเราสมควรจะยกโทษให้เขานะสหายทั้งหลายการยกย่องชมเชยพาเราไปได้ทุกคหนทุกแห่งเชียวแหละ